เรื่องภิกษุเสียดสีองคชาติกับนิ้วหัวแม่มือสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนจึงเสียดสีองคชาติกับนิ้วหัวแม่มือน้ําอัสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศต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 สุกะวิสัตถิสิกขาบทที่หนึ่งจบ